ผู้ทวีสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะดิฉันสัมสีณาพงมาพร้อมๆกับรายการสรมสนีนสนทนากันอีกแล้วนะคะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวเอฟเอรอยหค่ะที่นี่จะมีรายการธรรมะให้กับท่านทั้งหลายได้ฟังกันตั้งแต่เช้าตรู่ตีห้าถึงตีห้าครึ่งโดยประมาณโดยมีท่านพระมหาพบูรณ์อภิปุณโนวัดป่าดอนหายสงอุดรธานีนะคะท่านก็จะเป็นองค์หลักที่จัดรายการแล้วก็ ในวันพฤหับสบดีกับวันศุกร์ดิฉันสันสีนาคพง์จะเป็นผู้ที่มาร่วมจัดรายการสนทนากับท่านในลักษณะของการพูดคุยกันถึงปัญหาต่างๆเกี่ยวกับธรรมะก่อนจะเข้าไปฟังธรรมะในทุกๆครั้งสำหรับช่วงหลัง น, น, นะคะเราจะให้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติธรรมันละเล็กวันละน้อยกับท่านเพื่อนำโวยการสถาบัน ฝึกปฏิบัติธรรมรีเรนอยู่ที่วัดป่าดอนหายศกอุดรธา น, นีก็คือพระมหาภัยบูลผู้จัดรายการนี้นั่นเองนะคะดังนั้นเริ่มมาเนี่ยก็เพื่อจะให้ท่านทั้งหลายได้เตรียมตัวรู้ว่าเรามานั่งสมาธิกันเถอะเราไปกราบน้มาสการท่านภพบูลกันเถอดคะ่ะนำ้ำมาสการกับท่านคะ่ะเชิญปอนพอเรามาฟังธรรมแล้วก็ตั้งใจในการที่จะปฏิบัติคำว่าปฏิบัตินี้ก็คือการที่ให้เราเอาธรรมะที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาเข้าสู่ในใจ เส้นเราได้เคยได้ยินได้ฟังเรื่องของมรแปดเรื่องของสติปัฏฐาน4เรื่องของโพชฌงค์องค์รรทำอะไรต่างๆเนี่ยจะสามารถเข้าสู่ไปในใจของเราได้แต่มันต้องเริ่มจากทางหูจากการที่เราได้ยินได้ฟังธรรมะนี่แหละหูผ่านเข้ามาสมองจําได้บ้างจําไม่ได้บ้างส่วนที่จําได้ก็มีจากสมองจะเข้าสู่ใจมันจะต้องให้เป็นทางอันหนึ่งอันเดียวกันการที่จิต สมองพวกนี้จะมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นเส้นทางเดียวกันได้เราจะต้องตั้งสติเอไว้เครื่องมือที่เราใช้ในที่นี้ก็คือใช้ลมหายใจของเราลมหายใจที่ผ่านออกผ่านเข้าอยู่อย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาให้เรามารับรู้ถึงสัมผัสของมันจะสักจุดใดจุดหนึ่งก็ได้บริเวณที่เป็นทางเข้าทางออกของลมหายใจพระพุทธเจ้ า, ชาใช้คําว่าปริมุขขังคําว่ามุขนี่ก็คือหมายถึงทางเข้าทางออก นี่ก็คือรอบเป็นบริเวณบริเวณที่จะเป็นทางเข้าทางออกของลมหายใจเนี่ยที่มันยื่นออกมาจากหน้าก็จะมีจมูกนี่แหละที่จะเป็นตัวบ่งบอกถึงความที่มันเป็นทางเข้าทางออกของลมในบริเวณนี้เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมในที่ไหนจุดนั้นแหละให้เอาใจเอาจิตของเราเข้าไปจดจ่อว้นะที่ตรงนั้นการที่เราจะเห็นสัมผัสของลมนี้ เราไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกให้ระลึกรู้ดูอยู่ที่จุดเดียวการที่เราไปรู้ดูลมหายใจนี้เราอาจจะเห็นมันโดยความที่เป็นธาตุลมก็ได้ธาตุสีดินน้ำไฟลมในร่างกายของเรามีสิ่งที่เป็นธาตุลมธาตุลมนี้ก็คือสิ่งที่เป็นกายเป็นส่วนหนึ่งของกายการเห็นลมหายใจนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่เห็นกายในกายหรือในขณะที่ เรามาเฝ้ารู้ดูลมหายใจของเราอยู่ตรงนี้บางทีเราก็รับรู้ถึงสัมผัสของลมที่มันมากระทบสัมผัสของลมที่มากระทบมันก็จะเป็นความรู้สึกความรู้สึกนี้ก็คือเวทนาเราจะไม่เห็นเวทนาอย่างนี้ก็ได้หรือเวลาที่เรามารู้ดูลมหายใจอยู่อย่างนี้ผู้ที่เข้ามารู้ดูลมหายใจนั้นก็คือจิตของเราจิตของเรามันอาจจะมีความคิดนึกนั่นนี่โน้นบ้างแต่มันก็ไม่ได้ลืมลหลงลมหายใจ ใจิตใจเราก็ยังรู้ลงไหยใจอยู่ความคิดบ้างเสียงบ้างผ่านไปผ่านมาแต่การที่เราไม่ลืมหลงลงมหยใจเนี่ยชื่อว่าจิตยังอยู่ที่นี่เป็นผู้ที่เห็นจิตในจิตแล้วในขณะที่เรามารู้ดูลงมหยใจอยู่อย่างนี้แน่นอนบางทีมันมีเรื่องมากวนอารมณ์นั้นอารมณ์นี้เราสามารถที่จะสละละวางสิ่งที่เป็นเรื่องกวนต่างๆเหล่านั้นให้ใจเรามีความเป็นธรรมเดียวเนี่ย การที่เราวางได้การที่เราสลัดสิ่งนั้นออกไปได้ให้ใจของเรามีสมาธิเป็นรมันเดียวอันนี้แสดงว่าเราก็เห็นความไม่เที่ยงเห็นความที่มันจางกลายไปดับไปอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่เห็นธรรมในธรรมสถิประธานทั้งสี่ก็อยู่ที่นี่พระบรุตรเจ้าเปรียบเหมือนกับอาคารหรือว่าเรือนยอดหลังหนึ่งหรือว่าเป็นเจดีย์ก็ได้ที่มีทางเข้าทางออกอยู่ทั้งหมดสทางคือมาจากทางทิศเหนือทางทิศตะวันออก ทิศใต้และวก็ทิศตะวันตกไม่ว่าจะเข้ามาจากทางไหนก็คื่อว่าเข้ามาสู่กลางอาคารนี้เหมือนกันเวลาที่เราดูลมหายใจนี้ก็เหมือนกันไม่ว่าเราจะดูจากทิศทางไหนจะดูจากความที่มันเป็นธาตุลมจะดูจากความที่ผู้ที่เขาไปรู้ลมหรือจะดูจากสัมผัสที่เกิดขึ้นก็ถือว่าเราตั้งสติได้เหมือนกันหมดเวลาในช่างไม้ที่เขาเลื่อยไม้เนี่ยเขาดูอยู่ที่จุดสัมผัสเวลาที่เอาเลื่อยเข้าไปประกบกับ ตัวเนื้อไม้ที่จะเลื่อยให้มันขาดเนี่ยดูที่จุดสัมผัสเนี่ยก็จะเห็นทั้งตัวเนื้อไม้ที่แข็งๆที่เลื่อยกำลังกินเข้าไปเห็นทั้งเหล็กคือคมเลื่อยที่กำลังกินเนื้อไม้เห็นอย่างที่สามก็คือขี้เลื่อยที่มันไหลออกมาเห็นอย่างที่สี่ก็คือมุมองศาความเร็วท่าทางทิศทางที่เลื่อยนั้นมันกำลังเดินไปเห็นสีอย่างอยู่นะที่จุดสัมผัสจุดเดียวเชนเดียวกันในขณะที่เรามารู้ดูลมหายใจเอาใจจดจ่ออยู่อย่างนี้ สิ่งที่เป็นกายเวทนาจิตธํ ร, รก็อยู่ที่นี่การกระทํานี้ให้เหมือนกับช่างไม้ที่เขาเลื่อยไม้นี่แหละให้มีความเป็นธรรมชาติทาไม่มีความชํานาญการทําให้ชํานาญเนี่ยก็คือการที่ให้ทําอยู่เรื่อยๆทั้งในขณะฟังธรรมด้วยในขณะที่ทํากิจการงานต่างๆอ่านหนังสือขับรถยนต์หรือว่าประชุมรับประทานอาหารพวกนี้สามารถที่จะตั้งสติไว้อยู่ในลมหายใจได้การฝึกตัวนี้จะทําให้เรามีความชนานาญมากขึ้นแล้วก็ฝึกกันต่อไป ใช่ค่ะอันนี้เป็นอุปมาที่พระพุทโธตรัสไว้เลยใช่ไหมคะเรื่องเปรียบกับช่างไม้เลื่อยไม้นะคะอันนี้ช่างไม้เนี่จะมายกขึ้นเอง อ, อแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าอุปมาอุปไมยไว้คือเรือนยอดเหมือนกับเจดีย์ที่มีทางเข้าสี่ทางอ๋อค่ะนะค ะ, นะคะก็เท่ากับว่าอันนี้ดิฉันวัดจากความเข้าใจแล้วก็จินตนาการไปถึงคนที่เพิ่งศึกษาเรื่องนี้ด้วยนะคะว่า เมื่อทำสมาธิหรือว่าเมื่อเจริญสตินะคะทั้งหลายทั้งปวงสี่ทางเนี่ยเกิดขึ้นได้พร้อมๆกันถูกไมคะถูกต้องถูกต้องอยู่ที่ว่าเรามองมุมไหนเท่านั้นเองนะคะคือเกิดมาพร้อมๆกันอยู่ที่เราจะเห็นมุมไหนอันนี้สำคัญมากนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็เคยเข้าใจว่าอ๋อเราจะต้องเริ่มต้นที่กายก่อนนะอเอาฐานเป็นกายก่อนแล้วจากนั้นค่อย เอาสติไปไว้ที่เวทนาแล้วลําดับถัดไปก็จิตแล้วลําดับถัดไปก็ธรรมมีคนจํำนวนไม่น้อยที่คิดอย่างนี้นะใช่ใช่คิดว่าจะเป็นบันไดสี่ขั้นอย่างงี้ใช่ไหมแต่จริงจรงแล้วมันเป็นทางเข้าสี่ทางที่ถ้าเราเข้าจากทางเหนือคุณไม่ต้องออกจากทางเหนือแล้วก็ไปเข้าทางตะวันออกอีกเพราะมันมันจบเลยมันสําเร็จประโยชน์ของมันอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะอ๋อท่านใช้คําว่าทางเข้าสี่ทาง ของเจดีย์เรยนยอดใช่นะค ะ, ะก็เท่ากับว่าทำให้เราเห็นชัดมากยิ่งขึ้นเลยว่าอย่างนั้นเราจะเริ่มที่มีสติอยู่ที่กายก่อนก็ได้ไดอยู่ที่ทําก่อนก็ได้<ช>อยู่ที่เวทนาก่อนก็ได้<ช>อยู่ที่จิตก่อนก็ได้แล้วเมื่อเข้าไปในทางนั้นแล้วเจออีกสามอย่างแน่นอนถูกคะถูกต้องสำคัญที่สุดคือเรื่องของสติ<ช>ไม่ว่าจะใช้กายเป็นเครื่องมือคำว่าสติปฐานเนี่ย คือฐานนี่คือหมายถึงฐานที่ตั้งนะสตินี่ก็คือฐานที่ตั้งให้เกิดสติคุณจะใช้กายเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติก็ได้หรือจะใช้เวทนาเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติก็จึงเรียกว่ากายนุปัสนาสติปฐานนะคือคใช้กายเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสตินี่ก็ไดะนะคะสาธุเลยงั้นตอนแรกว่าจะถามคำถามที่ส่งไปถึงท่านทีหลังแต่เห็นว่าเป็นเรื่องของการ ทำสมาธิก็เกี่ยวกับเรื่องของการเจริญสติเหมือนกันนะคะจะขออนุญาตถามเลยดีกว่าเป็นคําถามของผู้ฟังชื่อคุณมณีเนธก็บอกว่าสอนหนังสือในสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งนักศึกษาใต้องเรียนถึงค่ํามีกันบ้านเยอะทําให้นอนดึกต้องตื่นเช้ามาเรียนผลที่เกิดขึ้นก็คือนักศึกษามาเรียนแล้วหลับในในห้องบางคนไม่หลับแต่ว่าก็จะมีอาการอ่อนเพลียสมองไม่สดชื่นพอที่จะจดจําหรือติดตาม ครูสอนในระหว่างเรียนได้ช่วงอาหารกลางวันมีเวลาเกือบชั่วโมงที่นักศึกษาจะพักสมองและควรเป็นการพักที่มีประสิทธิภาพตามสมควรจะได้เรียนในช่วงบ่ายหรือทำงานตอนค่ำและดึกคุณมณีเนตรเนี่ยสงสัยอาจารย์นะนะคะ mm hmm. ก็เลยบอกว่าจึงมีความคิดต้องการให้แนะนำวิธีทำสมาธิง่ายๆในเวลาสั้นๆช่วงพักกลางวันที่นักศึกษาทาได้แม้ไม่ได้อยู่ในหอพักหรือไม่ใช่ ท, ที่หลีกเรน หวังผลให้นักศึกษาพอมีกําลังและสมาธิระหว่างวันหากมีนักศึกษาที่ทําแล้วเห็นผลได้ด้วยตนเองจะมีการขยายผลปฏิบัติต่ตอไปก็แล้วแต่ความเหมาะสมค่ะจึงขอเรียนปรึกษาและขอคําแนะนําเพื่อบอกสอนแก่นักศึกษาต่อไปการนักการขอบพระคุณค่ะเอะก็เหมือนอย่างที่เราทําในตอนต้นรายการทุกครั้งทุกครั้งอย่างเงี้ยนะคุณโยมเดียวเนาะก็ก็เริ่มได้อย่างนี้เลยห้านาทีสามนาทีเราเริ่มได้เลยทีนี้ก็ อาจจะต้องมีคนนําในระยะแรกๆ แ, แนะนําคือบางทีบางคนก็สมมุติคุณจะมาให้เขามานั่งสมาธิสักสิบนาทีอย่างเงี้ยพูดไปห้านาทีก็ที่เหลือหลับอย่างเงี้ยนะอันบางทีก็จะต้องมีการอธิบายก็เรียกว่าอะไรทฤษฎีให้ทราบก่อนอราจะอธิบายทฤษฎีสักแนาทีทําสักสิบนาทีเอาวันนี้เอาสิบห้านาทีเอสิบห้านาทีนี้ที่ทําอาจจะเห็นผลบ้างไม่เห็นผลบ้างเพราะว่าช่วงเวลามันก็ ไม่ได้มากนะถ้าจะพูดถึงเพราะนั้น<ะ>ผลที่มันเกิดขึ้นก็อาจจะได้บ้างได้บ้างแต่ที่นี้ที่ดีก็คือว่าเราอย่าเพิ่งคิดว่ามันมันไม่เวริร์เพราะว่าสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเรียนการสอนเลยไม่ว่าจะเป็นผู้เรียนหรือผู้สอนก็ตามอะ่ะถ้าบอกว่าจิตใจไม่เป็นสมาธิอย่างที่อาจารย์มณีเ น, นเนี่ยว่าว่าโนักเรียนหลับอย่างเนี้ย น, นิวรเข้าครอบงำ แสดงว่าจิตไม่เป็นสมาธิแน่นอนประสิทธิภาพในการเรียนก็น้อยหรือศูนย์ไปเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันแก้กันได้โดยตรงทีนี้การที่เราทำเนี่ยถ้าเรามาอาศัยทำเฉพาะในช่วงพักชั่วโมงหนึ่งอันนี้ก็ได้อยู่แต่ว่าอาจจะได้ผลไม่เต็มที่แต่จริงๆควรเริ่มตั้งแต่เช้าเลยลมาถึงก่อนที่คุณจะขึ้นเข้าเรียนเนี่ยในเริ่มแต่ละชั่วโมงเนี่ยนะคือแดนดี้จะไปเราไปลาพักใช่ไห เอแต่ละชั่วโมงเนี่ยขอเวลาสักหนาทีก่อนแต่ละชั่วโมงที่จะเรียนเนี่ยนะะก่อนที่จะเริ่มเรียนอนักศึกษาเรามาทําสมาธิสักห้านาทีห้านาทีพอในห้องเรียนทําด้วยกันทั้งครูก็ทําด้วยนักเรียนก็ทําด้วยนะอันนี้มันจะดีอันตรายที่บ้านนะเริ่มในแต่ละชั่วโมงเลยชั่วโมงไหนที่เราสอนเราก็ทําตรงนี้อันนี้จะได้ผลก็ค่อยๆได้ผลไปนะผลอาจจะมากหรือน้อยอันนี้ก็คงจะต้องค่อยๆทําไปค่ะคือ ได้ผลก็คือมีสมาธิที่จะเรียนหนังสือในส่วนอ่อนเพลียแล้วคะท่านคะการทําสมาธิเนี่ยให้ผลช่วยตรงนั้นอย่างไรหรือไม่กรณีคนนอนไม่ค่อยพอค่ะการพักอยู่แล้วนะสมาธินี่เป็นเรื่องของการพักผ่อนอยู่แล้วพระพุทธเจ้าได้เคยอธิบายถึงการที่นอนอย่างตถาคตแะการนอนนี่คือหมายถึงร่างกายได้รับการพักผ่อนนั่นก็คืออยู่ในสมาธินั่นเองเพราะฉะนั้นผู้มาปฏิบัติธรรมหลายๆท่านเนี่ย พออย่างที่วัดปา่าดอนยโชคเนี่ยก็จะมีคนมาบอกอยู่เรื่อยแต่ว่าพอขึ้นวันที่4ที่ห้าเนี่ยเหมือนกับว่าตื่นอยู่ตลอดทั้งคืนเลยนะเหมือนกับไม่ได้นอนแต่ว่าร่างกายไม่ได้อ่อนเปลีย่ยแล้วก็คือมีสติอยู่ตลอดแต่ว่าร่างกายได้รับการพักผ่อนด้วยแต่คืออันนี้จะตรงกันข้ามกับพวกที่นอนไม่หลับนะที่มีอาการอินซอมเนียเนี่ยจะง่วงทั้งวันเลยนอนหลับๆตื่นๆแล้วแถมร่างกายก็อ่อนเปลี่ยอีกคือนอนเหมือนไม่ได้นอน แต่ในทางตรงข้าม ข, ของผู้ที่ปฏิบัติสมาธิเนี่ยไอ้ตอนเวลาที่เขาให้นอนมันเหมือนตื่นอยู่ตลอดแต่พอเวลาตื่นแล้วตื่นก็ไม่ได้รู้สึกเหนื่อยเมื่ออะไรเหมือนร่างกายได้รับการพักผ่อนแต่รู้สึกตัวอยู่ตลอดนะราะนี้เป็นเป็นผลของสมาธิอยู่แล้วอ๋อค่ะดังนั้นก็น่าจะเป็นประโยชน์มากเลยสำหรับคนที่จะต้องใช้สมองเยอะๆใช่นะคะท่านอาจารย์มณีเนตรก็ลองนาเอาไปใช้ตามคาแนะนาของ ท่านเปรีนะคะเพราะว่าท่านก็บอกว่าจะให้ได้ผลเนี่ยควรจะทําก่อนการเรียนการสอนอืมกอสักห้า น, นาทีในชั่วโมงที่เราจะสอนค่ะตรงนั้นก็ด้วยในช่วงกลางวันอาจจะจัดเป็นชมรมเป็นกิจกรรมที่มีคุณครูมานําหรือว่านักเรียนพากันนำเองอย่างเงี้ยก็ได้ทําตรงนี้ดีแน่นอนช่วยเหลือได้แน่นอนคนั่งอาจจะต้องให้ทางสถานศึกษานี่ได้จัดสรรที่ทางที่ เหมาะสมเป็นเฉพาะด้วยไหมคะเอาก็อาศัยห้องเรียนนี่แหละในระยะแรกนะมาคิดว่าเพราะว่าห้องเรียนแน่นอนมันก็ต้องมีความเงียบระดับหนึ่งนะหรือว่าถ้ามันไม่เงียบคือเราไม่ได้ต้องการความเงียบถึงระดแ บ, บบหูวิงว่งวิ่งอย่างเงี้ย ไ, ไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรือไม่ได้ต้องการความเงียบระดับที่มาอยู่วัดป่าก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นแต่อย่างน้อยก็ไม่มีกิจกรรมอะไระไม่มีกิจกรรมอื่นใดที่เขามาเล่นกันเฮฮายอยู่ในห้องอทุกคนก็ทําสมาธิร่วมกัน เราถ้ามันมีเสียงจากห้องอื่นดังมาแววแวเราอาจจะเปิดเทปเทศอะไรสัก5นาที1ิบนาทีอย่างนี้ก็มันก็จะกลบเสียงอื่นไปให้มันมีไว้น้อยสักหน่อยก็โอเคละค่ะคือถ้าจะทำกันจริงๆแล้วอย่างกับในห้องเรียนโดยเฉพาะในช่วงเวลาของการเรียนในตอนต้นนี้ก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะสมละใช่แต่ในลักษณะอื่นๆที่ท่านพบูลได้ ก, โกรโนลกล่าวไปแล้วนั่นก็ใช่ดิฉันเอง น, น, นะคะท่านคะ เคยเห็นหลายๆที่ที่เขาจัดกิจกรรมเช่นนี้ที่ไปเห็นกับตาก็บางเอิญอาจจะสถานที่เขาค่อนข้างเหมาะสมมากก็คื อ, อที่กรมอู่ทหารเรือ อ, อันนี้ไม่ใช่ทางผู้บริหารจัดนะคะแต่เนื่องจากว่าในกรมเนี่ยเขาไปสร้างในที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นวัดค่ะท่านก็มีส่วนหนึ่งของโบสถ์คือบสแปลกมากอาจจะหายไปส่วนหนึ่งแล้วเหลืออยู่ส่วนหนึ่งแต่เขาก็ยังเก็บรักษาไว้ยอย่างดีม พุทธรูปประดิษฐานอยู่หลายองค์เห็นเจ้าหน้าที่ค่ะพวกช่างฐานเรือนจะเข้าไปนั่งสมาธิกันในตอนพักกลางวันก็ยังมีความรู้สึกว่าแหมดีจังเลยที่นี่มีที่ให้คนได้พักจิตอืมใช่ใช่โดยตัวดรามาเองก็เหมือนกันเวลาที่แบบถ้าทำงานเยอะๆบันทึกเสียงบ้างหรือว่าสอนหนังสือบ้างบางทีเนี่ยนะตอนกลางวันเกก็จะมานั่งสมาธิเพื่อให้ร่างกายมันได้พักผ่อนคือไม่ได้นอนนะ แต่มันนั่งสมาธิอยู่เงียบเงียดูลงไวใจไปก็ช่วยไดย้แล้วในการนำสมาธิในช่วงแรกๆเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ต้องมีใครมาพูดอะไรอะ่ะแค่อาจจะเปิดคลิปเสียงทะเลเสียงอะไรทั่วๆไปเสียงฝนตกอะไรอย่างนี้ก็ได้อย่างน้อยสักห้านาทีาก็ทำไปไม่ต้องมีใครพูดอะไรก็ได้ในช่วง<ะ>แรกๆทำอย่างงั้นก็ได้ค่ะขอบพระคุณแทน คุณมณีเนตรนะคะนมาส ก, การค่ะท่านอาจารย์คะบังเอิญดิฉันเนี่ยเห็นหัวข่าวคือตั้งท่าว่าจะมาสนทนากับท่านแล้วจะสนทนาเรื่องอะไรดีนะก็ไปเห็นคำว่ายี่สิบเอ็ดอรหรันตเดี๋ยวก็จะมีสิบแปดอรหันต์ที่เราจะดีนกันบ่อยๆนะคะเข้าใจว่าหลายคนก็คงรู้สึกอยู่ในฐานที่เข้าใจละว่าอรหันต์นี่คือเจ๋ง เป็นคนที่เก่งเป็นคนที่สุดยอดนอกเหนือจากคนที่เข้าใจพระอรหันต์ในความหมายของพระพุทธองค์ดนั้นก็เลยอยากจะมาเรียนถามท่านนะคะว่าเราควรจะเข้าใจคําว่าพระอรหันต์อย่างไรจึงจะถูกต้องค่ะโอเคตัวามาเองไม่เท่ากับใครคุณโยมติวสมัยเด็กๆชอบดูหนังกำลังภายในมากหนังบูลิมเซอร์ลินอ น, นี้ชอบมากเลย <c oughs> แล้วก็จะมีค่ายคนสิบแปดอรหรันที่ออกมาชอบดูหนังกำลังภายในเนี่ยนะโอ้โห oh, <okay. S 2> oh, แล้วก็จะมีพระจากเศร้าลินเนี่ยมาแสดงท่าทางต่างต่า ต, ตัวสีทองทั้งทั้งตัวเลยทั้ง <c oughs> ทั้งตัวท่านนี่แหละเป็นพระนี่แหละแล้วก็มีพลังอะไรต่างก็คิดว่าอารหันเนี่ยคือเป็นแบบนั้นค <c oughs> ด้วยความเข้าใจถึงแม้ว่าจะโตมาจนกระทั่งอายุยี่สิบกว่าหรือก่อนบวยก็ตามก็ยังคิดว่าเป็นอย่างนั้นอยู่นะอื <c oughs> <c oughs> ยังคิดว่าเป็นอย่างนั้นอยู่ คือไม่ได้คิดว่าอรหันเนี่ยจะเป็นแบบว่าเอ่อเป็นเป็นพระพุทธเจ้าเป็นอรหันคือมันก็เป็นเรื่องที่อยู่ในหนังสือนะแต่เราก็ไม่เคยเห็นแต่ว่าเขาทํามาเป็นทีวีโอ้โหมันเห็นเป็นภาพมีเรื่องราวอะไรต่างๆโหกว่าจะฝึกเป็นอรหันได้มันต้องสมบุกสมบันอดทนขนาดนี้โอ้โหคงเราคงจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างเงี้นะค่ะแล้วก็มีความเข้าใจไปอย่างนั้นเพราะว่าดูหนังเนี่ยชอบดูหนังประเภทนั้นอ่าแต่พอมาบวชแล้วเพิ่งจะมาบวชถึงจะเข้าใจอนะ ว่าอ๋อจริงๆพระพุทธเจ้าได้อธิบายถึงอรหันต์เอาไว้อีกแบบหนึ่งนะโดยแบ่งเป็นอริยบุคคลนะสี่ประเภทกนะ็คื อ, คอโสดาบันคือผู้ที่เข้าถึงกระแสละมาตามทางที่จะไปสู่นิพพานสกัทาคามีอนาคามีแล้วก็อรหันต์นะอรหันต์เนี่ยต้องสะกดอย่างนี้ว่าอารหัน์นะไม่ใชนะ่อรหันต์นะอรหันเนี่ยหมายถึงว่าเป็นผู้ที่ไม่พ่ายแพ้ เป็นผู้<ะ>ที่ชนะกิเลสนะไม่พ่ายแพ้ต่อกิเลสฆนะ่ากิเลสได้แล้วอรหันเนี่ยเป็นผู้<ะ>ที่ไม่มีศัตรูแล้วทีนี้อะไรละ่ะคือศัตรูในความหมายที่พระพุทธเจ้าสอนซึ่งในที่อาตมารับข้อมูลมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กด ก, ก็คือใครที่มันจะมาผูกเวรกับเราเรามาจองเวรกับมันสู้กันไปสู้กันมาอันนี้คือศัตรูที่ที่เขาจะหมายถึงแต่ในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าศัตรูหรือว่า ค่าศึกในที่นี้คือกิเลสนั่นเองในะกิเลส ท, ที่จะเป็นศัตรูกิเลส ท, ที่จะเป็นค่าศึกอรหันเนี่ยเป็นผู้ที่ฆ่าค่าศึกตัวนี้ได้ฆากิเลสได้นะคือไกลาจากกิเลสกิเลสเนี่ยจะไม่สามารถที่จะมาอยู่ใกล้จิตใจของพระอรหันได้นะนี่คือความหมายนะของคำว่าอรหันนะอรหรันแล้วก็ทำยังไงล่ะในกระบวนการในทางคาสอนของพระพุทธเจ้า นะซึ่งถ้าเขาแสดงในทีวีเนี่ยโหคุณจะต้องฝาดานนั้นฝึกแบบนี้ต้องมีร่างกายสมบุกสมบันแต่ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าจริ ง, รงๆแล้วเนี่ยแต่ที่อามาบวชแล้วมาศึกษาดูเนี่ยเอาคุณจะต้องผ่านเป็นลําดับขั้นเหมือนกันแต่ว่าเป็นเรื่องของจิตังนั้นเลยอันดับแรกเริ่มกิดจากที่กายอยู่ก็จริงวาจาอยู่ก็จริงแต่เป็นเรื่องของศีลแต่คนที่จะมาเป็นอรหันต์ในลักษณะที่ไกลจากกิเลสเนี่ยก็คือต้องมีศีลมีกายวาจา ที่บริสุทธิ์เช่นศะีล5เราธรรมดานี่แหละนะแล้วก็ไล่ขึ้นมาศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิจะมีการสำรวจมินทรีย์มีการรู้ประมาณในการบริโภคมีการที่มีสติสัมปชัญญะมีความสันโดษสันโดษ ด, ด้วยบริขารตามมีตามได้เสร็จแล้วก็ประกอบอยู่เลยทำมันเป็นเครื่องตื่นั น, นี่คือเรื่องของศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิลําดับต่อไปเป็นเรื่องของสมาธิ เาอยู่ล็กเร้นทำจิตให้เป็นอารมณ์เดียวได้เป็นขั้นที่1 2ึ่สมสขึ้นไปแล้วก็ทําปัญญาให้เกิดขึ้นนะจนกระทั่งถึงปัญญาขั้นสูงสุดนี่คือสามารถละอาสวะได้ตรงนี้คือคถึงเป็นความเป็นอรหันต์ทีนี้ในในความหมายของคําศัพท์เองเนี่ยอันนี้อนามาเข้าใจว่าทำไมคนถึงเข้าใจเป็นลักษณะว่าแบบไม่มีใครที่จะเอาชนะได้เพรา ะ, ะว่าศัพท์คํานี้คือหมายความว่าอย่างนี้นเป็นผู้ที่ไม่มีใครจะเอาชนะได้อรหันต์นะ ซึ่งในความหมายของพระพุทธเจ้านั่นก็คือเอาชนะกิเลสได้นี่คือความหมายซึ่งในสมัยพุทธกาลเองเนี่ยนะคำนี้มีใช้มาตั้งแต่ก่อนจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยซ้ำํำมีใช้มาตั้งแต่ก่อนด้วยซ้ำอย่าเช่นมีชีพเลยคนหนึ่งเขาก็ล่องเรือมาที่เพื่อจะไปสวนน้ําภูมิปรากฏว่าเรือแตกเรือแตกก็พยายามที่จะเข้าสู่ฟังละ โชคดีรอดมาได้คนเดียวขึ้นฝั่งไป <Okay. S 1> ที่เมืองเชนไนที่อินเดียตอนใต้ตอนเ น, นี้นะะ <Okay. S 1> ขึ้นฝั่งไปปรากฏว่าไม่รู้ยังไงน้ําทะเลพัดเสื้อผ้าหลุดลุ่ยหมดเลยขึ้นมาเนี่ไม่มีเสื้อผ้าใส่ชาวทะเลคนอยู่ริมฝั่งเห็นคนนี้เดินขึ้นมาบริเวกายหมดเลยก็บอกโอ้สงสัยคนนี้ไม่มียางอะไรต้องเป็นพระอรันแน่นอนไม่มีความอายเหลืออยู่เลยอย่างเงี้ยแหละก็เลยยกย่องว่าอันนี้เป็นพระอรนันซึ่งมีคํานี้มีใช้มาตั้งแต่ ก่อนที่จะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นหลักคะ่ะอาจจะเข้าใจในความหมายเดียวกันด้วยนะคะคือเป็นผู้ที่ชนะทุกอย่างใช่แล้วก็ทุกคนก็ปรารถนาที่จะเป็นมาตั้งแต่ก่อนครั้งที่จะมีพระพุทธ อ, องค์แล้วน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่เอาอย่างนี้ดีกว่าว่าดังนั้นถ้าจะให้เข้าใจตรงประเด็นเลยคือว่าเป็นผู้ไกลาจากกิเลสผู้ชนะทุกอย่างไม่มีใครจะมาทาให้พ่ายแพ้ได้ถูกไหมคะใช่นะคะ เส้นฟังคะอ่าอันเนี้ยก็เป็นความหมายที่ถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนาอืแต่ส่วนใหญ่ที่เขาใช้ใช้กันดิฉก็เข้าใจว่าเขาคงไม่ได้คำนึงถึงอ่าความหมายในทางพระพุทธศาสนาหรอกแต่อ่าก็คงจะเข้าใจว่าเป็นคําที่แสดงถึงบุคคลคนนั้นต้องเป็นสุดยอดที่คนปรารถนาซึ่งอาจจะเป็นความหมายเดียวกันกับครั้งก่อนพุทธกาลก็ได้ถอกไหมคะอือใช่ใช่ใช่ใช ทีนี้แง่มุมมันแตกต่างกันนิดหนึ่งน ะ, ะว่าในทางคำสอนของพระรูปธรรมที่ว่าชนะแล้วที่ว่าไม่มีใครที่จะทําร้ายได้อย่างเนี้น ะ, ะออก็คือไม่มีความอยากด้วยนะคือไม่มีความอยากคือคุณธรรมสูงเพราะฉะนั้นการที่อยากจะมาเป็นตรงเนี้มันมันจะไม่ใช่ละมันจะไม่ใช่แต่เพราะว่าคุณมาเป็นตรงเนี้ยได้ด้วยความที่ว่ามีคุณธรรมสูงนะคุณธรรมสูงนี่คือมีความเก่งมีคุณสมบัติเช่นว่าไม่ลำเอียง มีความรู้ความสามารถถ้าเราจะความหมายให้มันสอดคล้องกับที่พระพรุทธเจ้าสอนนะคุณจะม า, าเป็นอรหันต์เนี่ยคุณต้องมีความรู้ความสามารถะคุณต้อง<า>ไม่ลำเอียงล่ะคุณจะต้องมีความรู้ด้านนี้อย่างดีคุณก็จะต้องรู้ในเรื่องที่มันเป็นประโยชน์อย่างเงี้ยทําประโยชน์ได้อย่างเงี้ยอันนี้คือ<า>มันในแนวทางเดียวกันล่ะค่ะคือท่านกําลังจะบอกว่าอันนี้เท่ากับเมื่อเขายกย่องใครว่าเป็นอรหันต์ก็หมายความว่ามีความคาดหวัง ว่าจะให้เป็นคนที่มีคุณสมบัติในทางที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงใช่ค่ะทีนี้นเดชินก็เลยอยากจะกราบเรียนถามท่านอันนี้ยังมีความอยากอยู่นะคะเพาะว่ า, าถ้าอย่างนั้นในความเข้าใจของเราแบบที่ไม่เคยรู้จักอรหันต์มาก่อนว่าเจ๋งแต่พอมารู้แล้วเอ๊ะอย่างนี้เจ๋งยังไงอะ่ะคือเหมือนกับว่า พระอระหันเนี่ยที่ท่านบอกว่าเป็นผู้ไกลาจากกิเลสเนี่ยแล้วท่านมีฤทธิ์ยังไงสิ่งที่จะสิ่งที่เจ๋งมากมากอย่างหนึ่งของอรหันในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าน ะ, ค, ะคือเป็นผู้ที่จะเหนือการควบคุมของมารได้มารเนี่ยจะควบคุมใจของพระอระหันไม่ได้เอางี้ก่อนว่าคนธรรมดากันนะคนธรรมดามารเนี่ยจะควบคุมใจของคนธรรมดาได้อย่างไรมันจะควบคุมผ่านทางตาผ่านทางหู แต่จะเอาสิ่งอะไรมาล่อล่อให้หลงล่อให้ชอบใจหรือจเจ้าสิ่งอะไรมาผลักให้ไม่ชอบใจใยขยะแขยงมันก็จะถูกควบคุมณนะบุคคลนี้น ะ, ะก็จะถูกควบคุมไปตามทิศทางที่มานต้องการได้นะมานนี่ก็จะได้โอกาสนะได้ทางช่องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจะได้ช่องทั้ง6ทางนี้คนธรรมดาเนี่ยจะถูกเป็นเครื่องมือของมานอยู่เสมอค่ะนี่มันจะเป็นอย่างนะี้นะทีนี้ถ้าอารหรันต์ล่ะอรหรันต์ เจอเหนือจากการควบคุมของมานได้เพราะอะไรเพราะว่าจิตใจเนี่ยเวลาที่มีผัสสะมากระทบใช่ไหมมารเนี่ยมันจะมาควบคุมทางต า, งางหูจมูกลิ้นกายใจนะกับดักมันจะอยู่ตรงนี้แต่เวลามันวางกับดักเอาไว้ให้ไปหาหรือให้วิ่งหนีก็ตามนะคือถ้าล่อให้ไปหามันเร็วไม่พอก็ผลักให้หนีด้วยนะมันก็ได้เร็วขึ้นอย่างนี้นะทีนี้ถ้าพอจิตใจที่ของพระอรหันต์วเวลามีผัสสะมากระทบตุ้มเนี่ยผัสสะเนี่ย เ, เวลากระทบแล้วปกตินะมันก็จะทําให้เกิดกิเลสโดยคนทั่วไปน ะ, <ค>ะเวลาภาษามากระทบแล้วถ้ายังมีอัศวบมันก็จะเกิดกิเลสออกมาเป็นอะไรเป็นราคะชอบใจใช่ไหมก็วิ่งเข้าหาเป็นโทสะไม่ชอบใจก็วิ่งหนีอันนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้แต่จิตของพระอรหันต์เวลามีภาษามากระทบตุ้มราคะโทสะโมหะไม่เกิดพอราคะโทสะโมหะไม่เกิดเนี่ยไม่สามารถที่จะวิ่งหนีหรือวิ่งวิ่งหนีหรือวิ่งเข้าหาตาม ความควบคุมของใครได้แล้วก็ตัดสินใจไปตามเหตุตามปัจจัยที่มันควรจะเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นก็จะไม่ถูกควบคุมโดยมารจะไม่ถูกตรงนี้ตรงนี้เจ๋งตรงที่ว่าอาจะเป็นบุคคลที่ไม่มีความทุกข์ะจะเป็นบุคคลที่ก็ตามเหตุอะเป็นยังไงก็ตามนั้นแล้วก็สบายแต่จะฝนจะตกแดดจะออกหรือว่าจะร้อนจะเย็นก็ใจก็อย่างสบายเพราะว่าใจไม่ได้มีราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นในใจ <C 're an> พอไม่มีราคาโทสะโมหะเกิดขึ้นในใจใจมันก็ไม่หิวถ้าราคาเกิดมันก็จะหิวถ้าโทสะเกิดมันก็จะร้อนโมหะเกิดมันก็จะมืดก็จะไม่มีอาการนี้ก็จะไม่มีอาการนี้เพราะฉะนั้นฤทธิ <C 're an> <C 're an> ์นี่จะไม่ใช่เหาะเหินเดินอากาศนะคะแต่ว่าฤทธิ์ในที่นี้จะเป็นการที่น่าสนใจมากคือเหนือกว่ามนุษย์ธรรมดาทั้งปู๋นเหนี้นะคะ เพราะว่าถ้าคนธรรมดาธรรมดาเนี่ยตาไปเห็นปุ๊บมันเกิดแน่อย่างที่ท่านได้กล่าวมาแล้วไม่ว่าจะเป็นราค้าโทสะโมหะอืมอทีนี้พระอราหันต์ที่สามารถออกเหินเดินอากาศได้ก็มีน ะ, ะอันนี้คืออย่างน้อยอจางๆำเนี่ยก็คืออย่างที่ว่านี้เรื่องของจิตใจเป็นอย่างนี้ทีนี้ความสามารถด้านอื่นๆบางท่านก็จะมีบางท่านก็จะไม่มีค่ะแต่แต่ถ้าพูดแล้วไม่ให้ผิดเลยทุกท่านมีแน่คือ ไกลาจากกิเลสมันทําอะไรไม่ได้ใช่ใชส่วนจะมีฤทธิ์อย่างอื่นนั่นขึ้นอยู่กับอรหันต์แต่ละท่านถูกต้ตองถูกต้ตอง อ, นนอันนี้คืออันนี้คือในชาตินี้ในชาตินี้แล้วอที่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกก็คือว่าคนธรรมดาเนี่นะคือบางทีเขาะจะมองใกล้ๆกันแค่ชาตินี้ว่าโอเคคุณแฮปปี้ชาตินี้แล้วงไงอรหันต์เนี่ยแฮปปี้ไปอีกตลอดอันตการดับเพราะอะไร เพราะาคนปกติเนี่ยนะพอตายไปเนี่ยคุณต้องไปเกิดอีกแต่เพะอะไรทำไมถึงต้องไปเกิดเพราะว่าจิตยังมีตัณหามียวิชาใช่ไหมมันก็ยังเป็นเหตุ ใ, ให้ต้องไปก้าวลงในสิ่งต่งตางๆก็เกิดใหม่แต่เกิดใหม่ก็จะเจอความทุกข์แบบที่คุณจะไปเกิดในภพภูมินั้ <asses> นๆเช่นถ้าไปเกิดในนรกก็จะทุกข์มากหน่อยถ้าไปเกิดในสวรรค์ก็จะทุกข์น้อยหน่อยแต่ความทุกข์ก็จะมีและก็จะมีความทุกข์แบบนั้นๆต่อไปต่อไ ป, อไปและต่ อ, ต, อต่อไปแต่อรหันเนี่นะชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย นะพบต่อต่อไปเนี่ยไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นในพบต่อต่อตต่อตต่อไปเนี่ยจะไม่มีแล้วจะสบายใจมากพระบุทรเจ้าเปรยียบเทียบไว้เหมือนกับว่าเศษดินที่ติดปลายเล็บเนี่ยนะคือตอนนั้นพระบุตรเจ้าเดินไปตอนกลางวันก็เอาเล็บเนี่ยเอานิ้วเนี่ยเคี่ยเศษดินขึ้นมาซึ่งเล็บท่านก็สั้นๆนี่แหล ะ, ะเล็บก็ติดเศษดินไม่มากแล้วก็ถามภิกษุว่าเล็บเศษดินที่อยู่ในเล็บ เก็ บ, บเศษดินที่อยู่ในพื้นปฐพีนี่อันไหนมากกว่ากันพนะระภิกษุก็บอกว่าโอ้ยเศษดินที่อยู่บนพื้นนี่มันเทียบกันไม่ได้เลยมันมากกว่ามากพระพุทธเจ้าก็เปรียบเทียบ ว, ว่าความทุกข์ของคนที่เป็นโสดาบันเนี่ยนะส่วนที่สิ้นไปแล้วหมดไปแล้วเนี่ยเท่ากับพื้นแผ่นดินนี้ส่วนที่ยังมีอยู่เนี่ยเท่ากับเศษที่อยู่ในเล็บนี้น้อยมากเพราะฉะนั้นความสุขของพระอรหันต์เนี่ยถ้ารวมตรงนี้เข้าไปด้วยมันจะมากจริงๆถึงว่า โอ้โหมันเปรียบเทียบกันไม่ได้เปรียบเทียบกันไม่ได้กับคนธรรมดาที่จะต้องไปทุกข์อีกนับพบนับชาติไม่ถ้วนแต่อรหันน่ะชาตินี้คือชาติสุดท้ายค่ะชาตนี้ก็คื อ, อความเป็นอรหรันต์เมื่อเป็นแล้วจะได้อะไรบ้างบางคนก็เริ่มเริ่มรู้สึกก็ดีเหมือนกันนะถ้าเป็นคนที่เห็นความทุกข์แล้วเริ่มเบื่อหน่ายแต่ดิฉันเข้าใจว่า คนเนี่ยมันก็แปลกนะครัท่านคะเหมือนกับไม่เข้าใจอ่ะว่าทําไมมนุษย์เรามันจะต้องกลัวการเกิดแล้วเกิดอีกเผื่อว่ายิ่งถ้าบอกว่าเรามีโอกาสเกิดเป็นทุกอย่างอืออาจจะเกิดเป็นมหาเศรษฐีอาจจะเกิดเป็นยาจกใช่ไหมคะออืเกิดดีที่สุดก็มีเกิดแย่ที่สุดก็มีเผื่อเกิดชาติน่ามันจะได้ดีสักชาตินึงยัยงไม่รู้สึกเบื่อหน่ายะคะ่ะทําไมคนบางคนหรือคนส่วนใหญ่ยังเป็นแบบนี้แมถ้าเราจะต้องการเจอความสุขเนี่ยนะ รเราไม่ต้องรอชาติหน้าก็ได้คุณโยมติว๋วสมมุติว่าเราไปเห็นคนที่มีความสุขในชาตินี้คุณคิดถึงใครที่เขามีความสุขมากที่สุดในโลกนี้อาจจะเป็นมหาเศรษฐีสักคนใดคนหนึ่งอะคุณใส่ชื่อมาเลยแต่ก็มีเงินเท่าไหร่คุณคิดไปเลยะเอาแค่ว่าเราอ่านเรื่องเขาจากในหนังสือหรือว่านิตยสารที่ไหนก็ตามเนี่ยให้คุณมั่นใจเลยว่าไอ้ความสุขแบบนี้ที่คุณอ่านเรื่องราวของเขาเนี่ยคุณเคยเจอมาแล้วให้มั่นใจเลยเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ใช่ว่า ไม่ต้องพูดถึงชาติหน้าที่เราจะไปเกิดอีกไม่รู้ต้องเท่าไหร่นะเอาไอ้ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยไอ้ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมันมากจังระที่ว่าไอ้ความสุขแบบที่คุณคิดว่าคุณอยากจะได้เนี่ยคุณเคยได้แล้วให้มั่นใจเลยอันนี้บุริาตัดไว้นะค่ะเพราะว่าภพภูมิการเกิดที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมันเยอะมากมันต้องมีชาติหนึ่งแน่นอนถ้าคุณสามารถมีความสามารถที่จะย้อนระลึกไปได้นะมีชาติหนึ่งแน่นอนที่คุณเคยเป็นแบบนี้ค่ะ ก็ในฐานะที่ดิฉันได้สนทนาธรรมกับท่านอาจารย์แล้วก็ได้ศึกษาธรรมะมาพอพอสมควรนะคะก็บอกว่าจะเห็นได้เชื่อว่าอย่างน้อยต้องต้องรู้จักธรรมะของศ า, าสดาอย่างเช่นของพระพุทธองค์นนะคะดิฉันว่าจะชัดเจนมากกว่ารอเวลาเพราะบางคนรอ รอไปจนถึงตอนไหนบางทีก็ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้ตั้งใจรอนะคะหมายถึงเวลาผ่านไปผ่านไปผ่านไปคิดได้บ้างบางคนบางคนก็คิดไม่ได้ในเรื่องพวกนี้แต่ว่าถ้าเข้าถึงคำสอนแล้วจะช่วยให้เราเหมือนเหมือนสะกิดใจให้ใเราได้<ช>มองเห็นชัดมากที่งขึ้นใช่<ๆ>เป็นเครื่องเตือนใจระลึกถึงได้ว่าโอ้โทษมันมีอย่างนี้อย่างนี้จึ <ๆ S 1> งต้องมาฟังคำสอนกันนั่นเองค่ะก็สั้นๆแค่นี้เองนะคะแล ะ, ะนาเอาไปใช้ ได้ประโยชน์อย่างแน่นอนรายการนี้รายการสันนิษฐานนะคะดิฉันสนทนากับพระมหาไพบุตรอภิปุลโนวัดป่าดอนหายโสอุดรธานีท่านคะดิฉัน อ, อยากจะกราบเรียนถามท่านเห็นเทศกาลกรถิ่นใกล้จะมาถึงแล้วที่วัดป่าดอนหายโสท่อกรถิ่นวันไหนคะวันที่หนึ่งพฤศจิกายนวันที่หนึ่งพฤศจิกาย น, นใช่ก็ะใกล้เข้ามาทุกทีแล้วเป็นสัปดาห์แรกหลังออกพรรษาเลยไหมคะถูกต้องออกพรรษาวันที่ยีสิบเจดตุลา วันที่ถัดมาวันที่หนึ่งพฤศจิกาเขาทอดกระิ่นเลยค่ะก็เป็นบุญที่คนไทยก็นิยมทํากันขอท่านวังที่ครบค่ะเผื่อท่านที่สงสัยอยู่ก็จะได้ความกระจ่างกันไปในวันนี้เราก็คาดหวังว่าความกระจ่างจากคําถามที่ได้มากราบเรียนถามท่านพยาบูลนั้นจะเป็นประโยชน์กับท่านฝังท่านอื่นๆด้วยนะคะนามาส ก, การขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงค่ะเรียนบอนบนฝั่งครและนั้นก็คือ กระมหาภบยบุญอภิปุณโนพู้มน่วยการหลักสูตรการกเรียนร้นของวัดป่าดอนไฮโซอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรายการสันสนีสมสนทนาดำเดนินรายการโดยสันสนียมนาคพง์นะคะวันนี้ติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะพูทวาสวัสดีค่ะ